วาระต่อไปข้อหนึ่งยเจ็นี่ยนะพระพิสูจน์เหล่านั้นพากันชื่นชมอนุโมทนายินดีภาษิตของท่านภาษารีบุตรแล้วก็กล่าวว่าสาธุใต้เท้าว่างันสาธุพันเตนะสาธุใต้เท้าอย่างนี้ก็การาวเปลี่ยนถามปัญหาที่สูงขึ้นไปกับท่านภาษารีบุตรว่าใต้เท้าครับยังมีอีกหรือไม่ปริยายแม้อย่างอื่นที่จะเป็นเหตุให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ภาษาพุทธก็ตอบว่ายังมีอยู่อวุโสและก็กล่าวว่าอาวุโสด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดสังขารรู้ชัดเหตุเกิดสังขารรู้ชัดความดับสังขารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งสังขารด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอวุโสอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้อง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 จิตตสังขารก็คือมโนสันเจตนาก็คือมโนกรรมนะกรรมทั้งสาทั้งกายกรรมวจีกรรมเพราะอะไรเกิดบอกเพราะอวิชชาเกิดกรรมจึงเกิดเพราะอวิชชาดับก็ดับกรรมแหมอวิชชานี่เลวร้ายมากเพราะแต่อวิชชาแท้ๆจึงเป็นกรรมนะปกปิดซะให้ทํากายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมหมดถ้าเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่เลิกทำกรรมนั่นไหมเลิกเป็นกรรมกลายเป็นอะไรเป็นกิริยาไงถ้าสัมผัสนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็ กลายเป็นกิริยาหมดสภาพแห่งความเป็นกรรมเนี่ยนะอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารเนี่ยนะยาก็คือขนาดเดียวนี่แหละรักษาได้ทุกโรคคืออารยมรักษอันประกอบไปด้วยองค์8มี4แคบสูนงมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ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 ให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุมีประมาณเพียงเท่านี้แลอริยาสหาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้คำว่าสังขารเนี่ยนะรู้ชัดสังขารเหตุเกิดความดับแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารสังขารแบ่งเป็นสามอย่างคือกายสังขารวจีสังขารและ จิตสังขารกายสังขารก็คือเป็นชื่อของเจตนา20นะ น, นะก็คืออะไรกุศล8มาหากุศล8อกุศล12ที่เกิดโดยการเคลื่อนไหวทางกายเป็นไปทางกายเรียกว่ากายสังขารเพราะว่าการขยับตัวทางร่างกายมันก็มีอยู่แค่แค่นี้แหละคืออ่านะไม่กุศลก็อกุศลกุศลก็ไม่เกิน8อกุศลก็ไม่เกิน12คําพูดที่ขยับวาจาก็มีอยู่20ก็คือกุศล อกุศลส2ส่วนทวารใจมี29 29ไม่ใช่19นะแก้นแกนิดหนึ่ง29ว่างนันั น, น้นมโนสังขารหรือจิตตสังขารคืออะไรคือโลกิยะกุศล17โลกิยะอกุศล12รวมเป็น29ที่เกิดขึ้นแก่ผู้อยู่ในที่รับโดยไม่ทำเคลื่อนไหวทางกายและวาจานิ่งทางกายไม่ขยับวาจาเลยนี่เรียกว่า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 อวิชาเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยกับโดยอารัมมะปัจจัยส่วนอวิชาเป็นปัจจัยที่เป็นเป็นปัจจัยแก่อกุศลโดยสหาชาติปัจจัยบ้างนะแปลง่ายๆว่าโดยสหชาตชาติบ้างอนันตชาติบ้างอุปนิสัยชาติบ้างอารัมมะชาติบ้างได้หลายปัจจัยด้วยกันอันนี้เรียกว่าเพราะอาวิชาเกิดนั่นแหละสังขารคือกรรมจึงเกิดถ้าดับอวิชาได้ กรรมก็ดับโดยประการทั้งปวงแต่ก็มรแปดอนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกรรมถ้าเห็นโทษของกรรมจริงๆก็ต้องเจริญมรแปดส่วนโมหะนี่แ ม, มก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็กล่าวถึงสัมมาทิฏฐิตั้งแต่วาระไหนตั้งแต่ชารามรณะอ น, นะอนชารามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนา ภาษาสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขาร11แล้วนะอวิชาวไว้วบัหลัง<ม>ก็ได้11เท่ากับวันนี้เรียนยาณวัตถุ44ทั้งโดยย่อและโดยพิสดารมัน44บวกคูณสองเท่ากับ88เท่ากับเรียนยาณวัตถุ88หัวข้อใหญ่เนี่ยนะประกาศอริยสัจอยู่อะไร ประกาศอริยสัจอยู่ยีครั้งนะที่ฟังมาทั้งหมดเป็นประกาศอริยสัจอยู่22ครั้งยังไม่กระเทือนอวิชชาของเราเลยนะมั้ยแล้วก็ด้วยบุญกุศลที่ฟังสัมมาทิฏฐิสูต ร, รก็ขอจงเป็นปัจใจแห่งโลภะสัมมาทิฏฐิและโลกุตระสัมมาทิฏฐิโดยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้อนุโมทากับทุกท่าน